ขนนองนั้นนะมีอยู่หลายอย่างคนนองกายก็มีทั้ง8ดอย่างคนนองวาจาอีกสอย่างส่วนคนนองใจนั้นไม่ต้องนับเยอะเหลอเกินมากมายคือหมายความว่ามีอกุศลเกิดขึ้นมามันก็คนนองทั้งนั้ น, น, นขนนองก็คือมันไ ม, ไม่สงบแล้วจิตใจถ้าทางกายก็คืออาการทางกายปรากฏทางวาจาก็ปรากฏ กายก็อาจจะมีการดิดนิ้วเล่นเคาะอะไรต่างๆเล่นอย่างเนี้นะแต่ทางใจเนี่ยมันมองไม่เห็นเราต้องรู้เองว่าเราคันองใจแล้วเหมือนกับเราลิงโลดว่าโอ้เราได้ยศได้ลาบได้เขาตั้งเราเป็นรัฐมนตรีก็ลิงโลดใจแล้วเกิดเลี้ยงกันแล้วเลียเ้ยงกันอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องรู้เองนะท่านี้คันนองกายเป็นยังไง การกระทาอันไม่สมควรด้วยกายในสงไม่ในคณะในบุคคลในโรงฉันในเรือนไฟในท่าอาบน้ำในทางพิขาจารการเข้าไปในละแวกบ้านแปดอย่างนะสงหนึ่งคณะสองบุคคลสามอย่างเนี้ยชื่อว่าความขนองกายมีฐานะแปดเช่นกรรมเป็นต้นอย่างนี้ ว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้นั่งรัดเข่าในถ้ำกลางสงหรือนั่งไข่ห้างกรรมแปดอย่างก็มีเช่นการนั่งรัดเขา่ายกเขาขึ้นมาแล้วเอามือรัดถ้ำกลางสงมันเป็นอาการไม่สุภาพหรือว่านั่งไข่ห้างทางฝรั่งก็ไม่ถือกันนะเขาถือว่าเสรีภาพส่วนบุคคลจะนั่งยังไงก็ได้เรา เราเอาเสรีภาพกเป็นหลักไอ้เสรีภาพเนี่ยมันเกิดจากโลภะนะมันเกิดจากตัวเราเป็นใหญ่นะมันไม่ได้เกิดจากความดีเป็นใหญ่ถ้าความดีเป็นใหญ่แล้วเรานั่งเดี๋ยวจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขา<ๆ>ก็อย่าไปนั่งไหวห้างอย่าไปนั่งรับเข่าอย่างนีนะ้แล้วก็ไปนั่งในถ้ำกลางคณะคณะคือว่าสักสองสามองค์ หรือกับบุคคลก็เหมือนกันตัวต่อตัวก็เหมือนกันก็ไม่ควรทำนะหรือแม้แต่ในภิกษุผู้แก่กว่าก็ไม่ควรทำในลงฉันในลงฉันก็ไม่ให้อาสนะแกภิกษุผู้แก่กว่าคือเขาควรจะได้นั่งท่านท่านท่านมาก่อนควรจะได้นั่งเราก็ไม่ให้นั่งไม่ให้นั่งเหนือเราัะห้ามอาสนะแกภิกษุผู้มาใหม่ไม่ให ภิกษุผู้มาใหม่ได้นั่งฉันไล่ออกไปเสียอันนี้ก็เป็นการกระทำทางกายที่ไม่สมควรหรือในเรือนไฟในเรือนไฟคือในที่ผิงไฟหรืออบไอ้น้ำสมัยนี้ก็มีซาวน่านะสมัยก่อนเขาก็มีการอบไฟเหมือนกันก็ในเรือนไฟนี้เธอไม่บอกภิกษุผู้แก่ทำการก่อไฟเป็นต้นไม่บอกซะก่อนแล้วก็ไปก่อไฟขึ้นส่วนในที่ท่าอาบน้ามีอธิบายว่า ท่านไม่กําหนดว่าภิกษุหนุ่มภิกษุแกพึงอาบน้ําตามลําดับที่มาคือไม่จําเป็นอาบน้ํานี่ไม่จําเป็นว่าแกอาบก่อนอ่อนอาบทีหลังไม่ใช่ใครมาก่อนอาบก่อนนะไม่งั้นแย่เหมือนกันถ้ามารอองคแกองคแกท่านมาสายก็ไม่ต้องอาบก็ใครมาถึงก็อาบได้เลยเธอเมื่อไม่เชื่อเฟือการกําหนดนั้นเมืม่อแตมาภายหลังนะมาภายหลังไปลงน้ําไปเบียดเบียนภิกษุแก่ภิกษุใหม่ อันนี้ก็ไม่สมควรคืออาบได้ก็จริงแต่ว่าต้องดูซะก่อนว่าเออถ้าเขายังเต็มกันอยู่นะเราก็ควรให้เขาอาบซะก่อนส่วนในการเดินบิณฑบาตทํากรรมไม่ดีเป็นเรีย ก, กว่าขนองคือเดินออกหน้าเดินนําหน้าไปก่อนเพื่อจะได้อาสนะที่เลิศคือที่นั่งที่เลิศได้นั่งที่ดีกว่านั้นได้น้ำที่ดีกว่าได้ก้อนข้าวที่เลิศเดินกระทบแขนเข้าไปภายในละแวกบ้าน ก่อนพวกภิกษุผู้แกพ่พรรษากว่าทําการเล่นทางกายกับภิกษุหนุ่มนะเย้ายอกกันอันนี้ก็เป็นการขนองทางกายมันมีมันมีจริงๆนะเป็นเรื่องจริงที่ท่านเอามาพูดไว้ต้องเว้นจ้าการขนองทางกายการเปล่งวาจานี่เป็นเป็นการขนองวาจาอันไม่สมควรในท่ามกลางสงในคณะในบุคคลและในแล้วแวกบ้างเขาเรียกว่าขนองวาจา มีอยู่4อย่างเช่นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่บอกก่อนก็ไปกล่าวธรรมในถ้ำกลางสงการจะแสดงธรรมเนี่ยจะต้องบอกแก่พระภิกษุที่อยู่ร่วมกันซะก่อนหรือแม้ในถ้ำกลางคณะก็ต้องบอกเหมือนกันในสานักบุคคลก็ต้องบอกทีนี้เมื่อมนุษย์ถามปัญหาธรรมะเราจะแก้ปัญหาก็าจะต้อง บอกภิกษุผู้มีอาวุโสมีพันธามากว่าเราจะขออนุญาตแก้ปัญหาที่พระที่มนุษย์ทั้งหลายถามส่วนภายในละแวะกบ้านเมื่อเข้าไปในละแวะกบ้านแล้วก็ยอมพูดว่าข้าวยาคูของที่ควรกินคนบริโภคมีอยู่หรือไม่วันนี้ท่านจะเอาอะไรมาให้เราโยมทั้งหลายวันนี้จะเคี้ยวกินอะไรจะได้ดื่มอะไรอันนี้ก็ไม่สมควรอีก เป็นอันว่าต้องต้องระ ง, งับทีนี้ขนองใจคือเราไม่ได้ขนองกายนะกายเราก็อยู่ดีแล้วอาจารย์ก็ดีแต่ใจตรึกถึงกามวิตกคือคิดเรื่องที่ชอบคิดไปด้วยโลภชอบเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นก็คิดไปหรือพยาบาทวิตกคิดถึงเรื่องที่ไม่ชอบใจที่อาศัยความโกรธ หรือมีหญิงสาพิจต ก, ก็คือคิดกิเลสอย่างอื่นนอกจากโลภ ก, กับโกรธคิดเรื่องอะไรก็ได้ตหนีก็ได้ริษยาก็ได้มาณะก็ได้อะไรก็ได้อันนี้ก็เรียกว่าความขนองใจซึ่งมีเป็นจำนวนมาก อ, อีกอย่างหนึ่งภิกษุผู้ทุศีนคือไม่มีศีนมีความปรารถนาลามกปรารถนาชั่วคือมีความอยากว่า ขอให้ประชาชนทั้งหลายจงรู้ว่าเราเนี่ยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ดังนี้ให้คิดอย่างนี้นะเขาเรียกว่าคันนองใจแล้วเราเนี่ยมันไม่ได้ท่าอะไรเลยแต่วางมาศว่าเราไม่ต้องวางมาศนะคิดเท่านั้นเองขอให้เข า, เารู้ว่าเราเป็นคนมีศีลเอารูปเลิบติดเนี่ยแหะสุปฏิปันโนมีศีลบริสุทธิ์เอาทัานทั้งหลายเอา เอาไปบูชารูปของเราคิดแค่ใจนะทำทำทำใจคิดไปเรื่องอย่างเนี้ยคือเราได้ไม่มีศีลแต่ขอให้เขารู้ว่าเรามีศีลพระนพุทคริสเจ้าตึงจัดว่าพวกเธออย่าเป็นผู้คะนองเข้าไปนะโดยกายวาจาใจอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคำอธิบายเป็นคำอธิบาย เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ขนองเข้าไปสู่สกุลนะความไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลนะแล้วก็มีการอธิบายอื่นๆอีกซึ่งพระภิกษุที่ดีเนี่ยจะต้องไม่น้อมใจไปในทางเลวในทางปฏิบัติผิดต้องตั้งไว้ในฐานะว่า สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี้เราจะกระทําตามโอวาทให้บริบูรณ์แล้วก็กระทาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพระหมหากรสปะเนี่ยทำได้เป็นตัวอย่างเธอจงระลึกถึงพระหมหากรสปะเป็นตัวอย่างที่เธอเคารพนับถือแล้วเธอทําตามไปเถิดนี่เป็นเรื่อง จันทูปะมะสูตรอัตกรถาอันนี้เกี่ยวกับคาถาที่ได้กล่าวไว้ในขั้นต้นนะนะคาถาที่ได้กล่าวไว้ในขั้นต้นเลยเกี่ยวกับเรื่องของพระหันรูปหนึ่งเหมือนกันชื่อพระละกุลตะกะหรือละกุลตกพัทธิยะเถระมีเรื่องว่าเมื่อพระศ า, าสดาประทรับอยู่ในพระเชติวเชตวันได้ทรงกล่าวถึงพระ พระกุณตกะพัทธิยเะเถระโดยมีเรื่องว่าวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะคือมาจากวัดอื่นหลายรูปด้วยกันเข้ามาเฝ้าพระาศาสดาซึ่งประทับนั่งณนะที่ประทับกลางวันคัรพระภิกษุเหล่านั้นถวายบังคมแล้วก็นั่งลงขณะนั้นท่านพระกุลตกะพัทธิยเะเถระเดินผ่านไปในที่ไม่ไกล ที่พระผู้มีพระภาคประทับนั่งอยู่ภิกษุเหล่านั้นน่ก็คิดว่าพระกุฏตกะเนี่ยคือท่านเป็นพระที่มีรูปร่างค่อนข้างจะคอม น, นะพระภิกษุเหล่านั้นก็มองแล้วก็อืมนะทำไมพระรูปนี้รูปร่างไม่ดีอย่างนี้ะพระพิษ菩萨สดาทรงทราบวาระจิตความคิดของภิกษุนั้น เหล่านั้นแล้วจึงตัดว่าพิสุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่พิสุรูปนั้นนะ่ะฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีความทุกข์เที่ยวไปอยู่เที่ยวไปนี่คือเดินนั่งนอนยืนเนี่ยเราต้องเที่ยวไปอย่างนี้นะไม่เที่ยวตายนะคือถ้าไม่มีอริยาบถหมุนไปเนี่ยเดินอย่างเดียวตายเหมือนกันนะนอนอย่างเดียวก็คงตายต้องหมุนไปเปลี่ยนไป เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่รู้นะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าถามอย่างไรก็มองหน้ากันและกันก็ไปสู่ก็เกิดความสงสัยว่าพระศ า, ศาสดาเนี่ยตัดเรื่องอะไรจึงถามพระผู้มีพระภาคว่าพระองค์ตัดถ้อยคำนั้นอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าภิกษุนี้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่ทำไมผง่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วยังมีความสุขใจได้อย่างไร พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตัดพระคาถาว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองและฆ่าแว่นแคว้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บสวยแล้วเป็นพ ร, รามไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่ในพระคาถานี้นะถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าใครฆ่าใครฆ่าทำไมนะ บุคคลฆ่ามารดาบิดาทัดกลาว่าตันหานั้นชื่อว่ามารดาเพราะว่าตันหาย่อมให้สัตว์เกิดในสัตว์คือการมาตันหาความยินดีติดใจในกามคุณหก็ทําให้สัตว์เนี่ยทำกรรมที่จะให้ผลเกิดในการมาพบการมาพบก็คือเนี่ยบรรลที่เราอยู่เนี่ย มันเต็มไปด้วยอุดมไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจแล้วเราก็มีการมาจันหาที่ไปพอใจมันเอาง่ายๆอาหารอาหารนี่เราติดใจในรสแล้วก็ติดใจในสีในกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยการมาพบก็มีอบายภูมิสีมนุษย์หนึ่งเทวดาอีกหกรวมเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดเนี่ยสิ่งที่ทำให้สัตว์เกิดในพบสาม อขอภายการปพบนี้ก็คือตัณหาหรือเดวกามาตัณหาส่วนรูปประพบอรูปประพบก็เช่นกันตัณหาก็ทําให้ไปเกิดทั้งภวะตัณหาวิภวะตัณหาต่างเพียงว่าตัณหาที่เป็นภาวะตัณหาประกอบด้วยความเห็นผิดว่าภพที่เราจะไปเกิดนจะเป็นรูปประพบหรืออรูปประพบเที่ยงยั่งยืนหรือว่าวิภวะตัณหา มีความเห็นผิดว่าภพที่เราจะไปเกิดคือรูปภพหรืออรูปภพคื อ, อพวกรูปภพหรื อ, อรูปภพอีกทั้งหมดยี่สิบยี่สิบภูมิเนี่ยมันจะศูนย์มันจะดับเรียวกันนิพพานอันนี้เป็นความเห็นผิดที่ประกอบกับภวะตันหาหรือวิภวตันหาแต่ถือว่าตันหาเป็นผู้นําที่จะทําให้สัตว์โลกเนี่ยไปเกิด ในภพต่างๆทั้งสามภพเราเนี่ยยังไม่ละอะไรได้เลยนะเพราะนั้นเรายังต้องไปเกิดแล้วเราก็ดูว่าเราเนี่ยยินดีอะไรบ้างรูปเสียงยินรสสัมผัสที่น่าใคร้ายน่าพอใจเรายินดีไหมเอาถ้ายินดีอยู่ก็ตัดสินได้เลยว่าเนี่ยแม่ของเราเพราะมันติดใจอยู่นะเหมือนแม่เนี่ยก็ยอมรักลูกนะไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ห่างไปจากลูกใจคิดถึงลูกอยู่เรื่อยชันใดก็ดีตันหาเนี่ย ก็ยินดีอยู่ในกามก็จะทําให้สัตว์ทั้งหลายที่ตกอยู่ในอํานาจของกาบตันหาไปเกิดในกาบพบพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตันหายังบุรุษให้เกิดคือยังสัตว์ให้เกิดจะเป็นบุรุษสตรีอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นพรหมก็แล้วแต่ตันหาเนี่ยเขาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเพราะฉะนั้นประตันหาจึงชื่อว่ามารดาเพราะว่ามารดาหมายถึงผู้ยังบุตรให้เกิด บุตรที่ด่าให้เกิดเราเนี่ยฆ่าแม่เราได้นะแม่ของเราคนนี้คือตันหาอย่าไปรักเขาเขาไม่รักเราหรอกเพราะอะไรนะเพราะว่าเขาให้เราเกิดก็จริงแต่เขาก็ให้ความทุกข์อีกนา น, นับประการตามหลังมาคือแก่เจ็บตายพัดพลากจาก สิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจแล้วก็ทำกรรมชั่วด้วยอำนาจของตัณหาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นมารดาที่ให้กำเนิดทุกข์แก่สัตว์โลกจริงๆตัณหาเราจะต้องเห็นเขาเป็นศัตรูเห็นเขาเป็นผู้ที่เราจะต้องกำจัดฆ่าให้สิ้นไปจากชีวิต ส่วนอัศมิมาณนะคือการถือตัวตนเรียกว่าเป็นบิดาเพราะอัศมิมาณนะคือความถือตนเมื่อคิดไปถึงบิดาบิดาของเราจริงๆเนี่ยคือคิดว่าบิดาของเราเนี่ยเป็นพระราชาชื่ออย่างนี้อย่างนี้เราเป็นราชโอรสก็จะเกิดความถือตัวหรือว่า เราเนี่ยเป็นบุตรของมหาอามาตย์ของพระราชาชื่อนนท์ไอความคิดอย่างเนี้ยมันชูตัวให้สูงขึ้นคือคิดว่าพ่อเรามียศพ่อเราใหญ่เราก็ใหญ่ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นไอความถือตนเนี่ยจึงถือว่าเป็นบิดาถือว่าเป็นบิดาเพราะทำให้มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาคนทั้งหลายเนี่ยเวลาจะ ประกาศความยิ่งใหญ่ก็ต้องประกาศอย่างนั้นนะ่ะเราเป็นบุตรของคนอของพระราชาองค์นั้นหรือว่าเป็นบุตรของอมัมบัดคนนั้นบุตรของนายกคนนั้นรัฐมนตรีคนนั้ น, น, น, น, นไอ้ตัวที่มันประกาศมันคืออาชมิมานะคือความถือตนเพราะฉะนั้นบิดาที่เป็นศัตรูของเราอีกก็คือมานะเนี่ยเพราะมานะมันก็ทําให้เราเกิดนะ่ะมาณะนี่มันเกิดร่วมกับตัณหาได้หรือไม่เกิดร่วมก็ได้ ถ้าเกิดร่วมกันก็ช่วยกันละว่าเนี่ยตัวเราเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าโดยลายโดยพ่อเราเหนือกว่าโดยแม่เราเหนือกว่าโดยสมบัติเราเหนือกว่าโดยความรู้เราเหนือกว่าหรือจะต่ากว่าก็ได้แล้วแต่จะเปรียบเทียบ ก, กันกับคนอื่นเนี่ยมารดาบิดาของเราทั้งสองซึ่งยังเป็นมาอยู่เนิ่นนานแล้วในวัตสงสารนี่เรามีมารดาบิดาที่ให้กําเนิดอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ย ชาตินี้เราก็ได้ตัณหาและมาระให้เกิดชาติต่อไปก็เหมือนกันเราจะต้องรู้จักและฆ่าเขาส่วนพระราชาพระพุทธเจ้าสอนให้ฆ่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองความเห็นผิดทุกชนิดเลยตกอยู่ในความเห็นผิดสองอย่างเท่านั้นคือสัสจะทิฏฐิความเห็นว่าตัวตนเรายั่งยืนไม่มีการดับ ตัวตนเที่ยงยั่งยืนอีกอย่างหนึ่งคือทิฏฐิอีกอย่างหนึ่ ง, ง, งตรงกันข้ามเรียกว่าอุดเฉดทิฏฐิมีความเห็นผิดว่าตัวตนเราเนี่ยสูญ จ, จะศูนย์เมื่อตายในชาตินี้ก็ได้หรือว่า จ, จะศูญเมื่อไปเกิดอีกสักชาติสองชาติหนึ่งไปเกิดเป็นพรหมเป็นอะไรอย่างนี้แล้วจะศูนย์เพราะฉะนั้นชาวโลกทั้งหลายเนี่ยอาศัยพระราชาเป็นอยู่ให้พระราชาปกครองให้พระราชามีอํานาจ แก้ไขปัญหาชีวิตเราชั้นใดก็ดีช้าโลกก็อาศัยไอความเห็นสองอย่างเนี่ยเป็นไปอยู่ให้ปกครองชีวิตอยู่คือเราจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีมีแล้วจะสูญหรือจะไม่สูญส่วนใหญ่จะตกในลักษณะสัสตตสตัทิฐิคือมีความเห็นว่าตัวเราเนี่ยมีอยู่แล้วนะชาติต่อไปก็จะมีมไปอีกมีไปอีกมีไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอทิฏฐิเนี่ยมันเลยเป็นพระราชา เนื้อจิตใจและทำความยินดีให้ซะด้วยเพราะฉะนั้นสัตสะตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้เป็นกรรษัตริย์สองพระองค์เนี่ยปกครองสัตว์โลกอยู่ถ้าฆ่าถ้าได้แล้วไม่แล้วคราวนี้ถ้าเราฆ่าถะได้ฆ่าพระราชาสององค์นี้ได้กนะ็เราจะพ้นจากโลกนะพ้นไปจากวัฏสงสารทีนี้ท่านกล่าว ต, ต่อไปว่า และค่าแว่นแคว้นพร้อมด้วยเจ้าพนักงานเก็บสวยแล้วคำว่าแว่นแคว้นนี่คืออะไรอายตนะสิบสองอายตนะภายในหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราถือว่าเป็นของเรารักอย่างยิ่งหกอย่างนี้แล้วก็ยังมีอายตนะภายนอกที่มาประชุมมากระทบกันนะอีกหกคือ สีเสียงกลิ่นรสโพธพะและธรรมรมโพธพะนี่ก็คือธาตุดินไฟลมที่มากระทบให้เกิดความเย็นความร้อนอ่อนแข็งเคลื่อนไหวหย่อนตึงธรรมรมก็นอกจากสีเสียงกลิ่นรสโพธพะแล้วที่เหลือเป็นธรรมรมหมดเนี่ยแหละเราก็จะต้องฆ่าแว่นแคว้นหรืออายตนะทั้งสองนี้ ที่อายตนะสิบสองเปรียบด้วยแว่นแคว้นเพราะว่ากว้างขวางนะคือมันเหมือนกับแว่นแคว้นทั้งหลายที่มีอาณาเขตกว้างขวางอายตนะทั้งหลายเนี่ยก็มีอยู่ในที่ต่างๆมากมายนะในสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ต้องมีอายตนะอย่างนี้ เพราะว่ามันมีอยู่มากนั่นเองหรือกว้างขวางมากเกิดได้มากแผ่ไปได้มากคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นี่ก็มีอยู่มากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่มากแล้วทั้งสองนี่ก็มาพบกันนะมาประชุมกันมาพบกันอยู่เสมอๆไม่สิ้นสุดตาเราเนี่ยเคยเคยหมดไหมว่าไม่เห็นสีมันก็เห็นอยู่เรื่อยหูเคยหมดไหมที่ไม่ได้ยินเสียง ตาบใดที่มันยังมีประสาทหูอยู่ประสาทหูยังดีอยู่มีเสียงมากระทบก็ต้องเกิดการได้ยินเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นที่ประชุมที่กว้างขวางตาก็เป็นที่ประชุมของสีต่างๆหูก็เป็นที่ประชุมของเสียงจมูกก็เป็นที่ประชุมของกลิ่นลิ้นก็เป็นที่ประชุมของรสกายก็เป็นที่ประชุมของโผดทัพระใจก็เป็นที่ประชุมของธรรมารมเป็นอยู่อย่างเนี้มากมายไม่มีที่สิ้นสุด เราจะไม่ให้ตาเราเห็นเนี่ยเขต้องไม่มีจักขคู่ประสาทเมื่อมีจักขคู่ประสาทแล้วสีมันไม่รู้จะ ก, กระทบกับอะไรจักขคู่วิญญาณก็เลยไม่เกิดแต่เพราะว่ามันมีประสาทตามันก็เลยต้องมีกระทบสีเนี่เป็นธรรมชาติที่จะต้องพิจารณานะความทุกข์ก็เกิดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะบุคคลเมื่อได้เห็นแล้วด้วยจักขคู่วิญญาณก็เกิดโลภโทสะ เมื่อได้ฟังเสียงแล้วก็เกิดโลภะโทสะเมื่อได้ดมกลิ่นแล้วก็เกิดถ้าไม่มีอา ย, อายตนะเนี่ยมันเกิดไม่ได้โลภะโทสะกิเลสเกิดไม่ได้อาศัยอายตนะทั้งสองคือภายนอกภายในกระทบกันพบกันกิเลสจึงเกิดขึ้นแล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นส่วนบุรุษผู้เก็บสวยหมายถึงความกำหนัดความยินดี ที่อาศัยอายุธนานั้นคือรักนั่นเองรักความรักที่เกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจในสีเสียงกลิ่นรสผดทพธรรมารมมันมีความรักตลอด เ, อเราไปสังเกตดูก็ได้นะทางตาเนี่ยวันนี้เรารักเรายินดีในสีสักกี่ครั้งมาแล้วนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นขัานหึงเปรียบเหมือนบุรดุษเก็บสวยจัดการสวยคือภาษีให้สาเร็จนะให้สาเร็จ คือมีแว่นแคว้นใช่ไหมไข่เข้ามาในเขตหรือทำหมากินในเขตแว่นแคว้นนี่ก็เก็บภาษีฉั้นใดก็ดีไอ้ตันหาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นมีสีเสียงกินรสสับโพธิภพธรรมารมมากระทบเมื่ อ, อไหร่แหละความยินดีมันก็จะเกิดขึ้นเกิดอยู่บ่อ ย, อยมันเหมือนกับมันได้ะมันได้ภาษีได้ความสุขได้ประโยชน์ด้วยนะเออเดี๋ยวจะไปเห็เหนสีอะไรดีแต่เราไม่ได้คิดว่าเห็นสีนะเราจะ คิดเป็นบัญญัติไปเลยนะเป็นเป็นความคิดไปเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นอ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูซะหน่อยนะที่ว่าหทางสปปรรพสินค้านี่มันมันมีของใหม่ๆอะไรมาโชว์อย่ไปซื้อกันให้สนุกเนะทปเพลงใหม่ๆอะไรจะออกบ้างไปฟังกันหน่อยอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของพวกเราไอ ความกำหนัดหรือไอโลภะเนี่ยมันก็เหมือนพนักงานมาเก็บภาษีอ่ะหากินกันอยู่แถวนี้เองหากินกันอยู่แถวตาหูจมูกลินกายใจเนี่ยไม่ไปไหนไม่เคยเกินไปไหนด้วยไอโลภะถ้าจะโลภมันก็โลภอยู่ที่นี่แหละตาหูจมูกลินกายใจ ส, ส, สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะพระธรรมารมมันไปโลภที่อื่นไม่ได้ไปโลภอย่างอื่นไม่ได้จะเกิดก็เกิดที่นี่เกิดที่ตาหูจมูกลินกายใจนี้เป็นที่อาศัยเกิดของมันได้เพราะฉะนั้น ท่านจึงบอกว่าบุคคลใดก็ตามถ้าฆ่ามารดาบิดาคือตัณหามาณะฆ่าพระราชาคือความเห็นผิดสองประการฆ่าแว่นแคว้นคืออจนะภายในภายนอกสิบสองแล้วฆ่าจะพนักงานเก็บสวยคือตัณหาได้ก็จะเป็นพราหมณ์เป็นพรามหมายถึงผู้สิ้นอาสะวะแล้วคือผู้สิ้นกิเลสที่หมักดองอยู่ในใจเนิ่นนานได้แก่ตัณหาทิฏฐิ วิชาเหล่านี้นะทีนี้ท่านอธิบายว่าผู้ที่เรียกว่ามีอาสวะสิ้นแล้วเพราะกิเลสเหล่านั้นเช่นตัณหาอันตนกำจัดได้ด้วยดาบคืออรหัตตะมักขยา น, นท่านเปรียบเหมือนดาบคมปัญญาที่เข้าไปเห็นทุกข์ในอริยสัจ สัมมาทิฐิที่เข้าไปกำหนดทุกขหรือความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าความเป็นนัตตาของขันธ์ห้ารวมทั้งวิตกนะวิตกที่ประกอบด้วยปัญญารวมทั้งศีลรวมทั้งสติสมาธิความเพียรที่ประชุมพร้อมกันนะเป็นดาบอันคมกล้าในที่นี้หมายถึงตัวสัมมาทิฐิคือตัวปัญญาญาติที่ไปแทงตลอดนะซึ่งอริยสัจก็เท่ากับไปฆ่า อาสะวะกิเลสคือตัณหาให้หมดสิ้นไปให้ตายไปท่านเปลี่ยนเหมือนดาบอันคมเพราะฉะนั้นบุคคลผู้นั้นจึงไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่เที่ยวไปอยู่คือดําเนินชีวิตอย่างไม่มีความทุกข์ไปยืนเดินนั่งนอนที่ไหนเนี่ยทำอะไรไปเนี่ยไม่มีความทุกข์เลยทุกทางใจไม่มีนะแต่ไอ้ทุกทางกายยังมีอยู่ทุกข์กายยั่วิญญาณจิตยังมีเพราะเป็นวิบากพระอรหันต์ยังละไม่ได้ แต่ทุกทางใจที่จรเข้ามาเนี่ยไม่มีของเราเนี่ยมันมีสองทุกข์คือทุกทางกายปวดปวดปว ด, ปวดจร ะ, ะปัจฉ ะ, ะเจ็บป่วยเมื่อยขบอะไรเนี่มันทุกขทางกายซึ่งเกิดด้วยวิบากวิบากกรรมแล้วก็ยังมีทุกขทางใจจรมาอีกคือกิเลสทั้งหลายซึ่งไม่ควรมีนะ่ะแต่มันก็มีคือโลภะโทสะเหล่านี้มันก็เข้ามาเกิดเป็นทุกจรเข้ามาคือมันไม่ได้มีบ่อยเพราะ ไม่ได้มีอยู่ประจําเพราะว่าบางทีเราก็มีบุญกุศลเราสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาไดา้แต่พระหันเหล่านี้ไม่มีทุกทางใจเที่ยวไปอยู่ในการที่จบพระธรรมเทศนาในภิกษุเหล่านี้ดํารงอยู่ในพระอรหันตคือเป็นพระหันคือเห็นสภาวะธรรมแจ่มแจ้งว่าไม่มีอะไรเลยในชีวิตเนี่ยนอกจากความทุกข์เท่านั้นจะไปกําหนดตรงไหนล่ะมันจะไปกําหนด ตัณหามานะมันก็ตาความทุกข์คือให้เกิดในภพทั้งสามมาให้จะไปกำหนดตาหูจมูกลิ้นกายใจสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมโมมันก็ถูกตัณหามาเก็บภาษีเก็บซวยทำให้ลำบากทุกทีไปจะไปพิจารณาความเห็นผิดจะเป็นความเห็นว่าตัวเราตายแล้วศูนย์หรือตัวเราไม่ตาย จะมียั่งยืนไปไม่มีดับมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นพระสภาวะธรรมเหล่านี้พระท่านสามารถเจริญวิปัสสนาได้แล้วก็ละฆ่านั่นเองฆ่าคำว่าฆ่าในที่นี้ก็คือมักฆ่าโดยปัญญาสิ่งแล้วเนี่ยดำรงอยู่ในชีวิตาดำรงอยู่ในสัตว์โลกแต่พระหันท่านหมดสิ้นไปแล้วต่อมา มีพระภิกษุบูอื่นมาอีกนะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นพระละกุลตกะภัทธิยะเทระเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมตาลบพัเทเิระนั้นอีกว่าพรทเิระนะ่ะไม่ใช่บุคคลธรรมดานะเป็นบุคคลที่ฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นพรามทั้งสองได้แล้วและฆ่านิวรห้ามีวิจิตรฉานิวรเป็นที่ห้า ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับขนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปแล้วคือฆ่าไปได้แล้วฆ่านิวรณได้หมดแล้วเป็นพราหมณ์ไม่มีทุกข์เที่ยวไปอยู่ในที่นี้ฆ่ามารดาบิดาก็เหมือนเดิมคือฆ่าตัณหาฆ่ามานะได้ฆ่าพระราชาทั้งสองก็คือความเห็นผิดสองอย่างก็ก็เหมือนกันทีนี้ ไอ้นิวรห่านมันเป็นขนฐานที่เสือโครงเดินไปเพราะนั้นใครไปในต้องเจอเสือโครงแน่จึงมีภัยอยู่รอบด้านเดินไปลำบากแม้แต่วิจิกิจฉานิวรนนิวรนคือกิเลสที่กลุ่มลุมจิตนี่วิจิกิจฉามันกลุ่มลุมเพราะมันคิดสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงตัดสินไม่ได้หรือว่าคิดถึง พระสดีระของพุทธเจ้ามาจริงหรือที่มีรูปเหมือนทองมีพผชพันดารังสีเปล่งออกไปอย่างเนี้ยคิดสงสัยในคุณของพระธรรมก็ดีในคุณของพระยะสงส์ก็ดีในใจสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยจริงหรือจะทําให้พ้นทุกข์ได้หรือในอดีตเอ้เรามีหรือเปล่ามีแล้วเป็นอะไรในอนาคตเราตัวเราจะมีหรือเปล่าความคิดอย่างนี้นะวิจิจรฉาเนี่ยมันเป็นเหมือนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไป วิจิกิจชานี่เป็นที่ห้าแห่งนิวรณแล้วถ้าหากว่าฆ่านิวรณเอาแค่ฆาวิจิกิจิชาได้ฆาวิจิกิจิชาได้ก็เป็นพระโสดาบันแต่ถ้าฆาทั้งห้าเลยคือการมาชั